วันนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับเราทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนไม่มีงานอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องมีงานเฉพาะการฟังเทศอบรมจิตใจโดยเฉพาะเบื้องต้นได้กล่าวแล้วว่า ให้ตั้งสติไว้ที่จิตในขณะเทศไม่ต้องส่งจิตออกไปนอกเช่นไปหาผู้เทศเป็นต้นตั้งไว้ที่จิตของเรานี้เรียกว่าสติเฝ้าบ้านจิตนั่นะเป็นบ้าน <c oughs> เวลาท่านเทศไปจะเห็นผลประจักษ์ดังท่านแสดงไว้ใน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 สจะบรรเทาความสงสัยเสียได้สจะทำความเห็นให้ถูกต้องได้ข้อที่ห้าเป็นข้อสำคัญหจิตผู้ฟังย่อมสงบของใส น, นี่เกิดขึ้นจากขณะฟังเทศจิตเมื่อไม่ส่งออกข้างนอกย่อมสงบเมื่อสงบ ย, ย่อมผ่องใสนี่เป็นคุณสมบัติประจำผู้ที่ฟังเทศด้วยความตั้งใจจริงๆผลจะปรากฏอย่างนั้นจิตสงบผ่องใสนี่สำคัญถ้าสงบแล้วก็ผ่องใสคราวนี้ก็ฟัง คราวนี้ก็สงบคราวนี้ก็ป่องใสขัดเราทุกเวทุกวันที่ได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านแล้วก็เป็นสงบมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มกําลังแห่งความสงบมากขึ้นความป่องใสก็เพิ่มประจำตามกันจิตเมื่อป่องใสแล้วย่อ <c> ม <oughs> มีความสว่างสวัยขึ้นภายในใจตัวเอง <c oughs> นี่คืออานิสงส์การฟังเทศมีห้าประการดังที่อธิบายมานี้ <c oughs> <c oughs> การเทศทางภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติไม่เหมือนกันทางภาคปริยัติจิตจะวิ่งออกสู่คัมภีร์ใบลาน ที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ไม่เข้าภายในการเทศนาว่าการทางภาคปริยัติจิตจะส่งออกนอกวิ่งหาคำปีใบลานผิดกันกับภาคปฏิบัติส่วนภาคปฏิบัตินิจิตจะหมุนเข้าภายใน เทศออกมาจากภายในที่ตนได้ปฏิบัติและรู้เห็นมามากน้อยซึ่งปรากฏอยู่กับใจของเราขณะที่เทศจิตจะเทศออกมาเราพูดเทศนั้นจะออกมาจากใจล้นล้วนล้นล้ว น, วน <c oughs> ไม่ออกสู่กัมปีใบราลด <c oughs> นี่หมายถึงผู้ปฏิบัติที่จะรับผลจากการปฏิบัติมาเป็นลำดับลำดานับตั้งแต่ขั้นความสงบและสมาธิจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นต่างๆจะออกจากใจนี้ทั้งนั้นไม่ออกไปตามคำพีใบลานถ้า ปฏิบัติได้ผลอย่างนี้แล้วการเทศจะขึ้นจากใจทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่ได้ผลทางภาคปฏิบัติกิจมันก็วิ่งหาตําลาเองนั่นแหละวิ่งออกสู่ตําลานั้นตาลานี้ไปอย่างนั้นเพราะยังไม่ได้ต้นทุนภายในก็ไม่มีอะไรจะเทศออกมาได้ทีนี้เมื่อเวลาปรากฏผล <c oughs> ขึ้นภายในกิจนับแต่ความสงบขึ้นไปก้าวเข้าสู่สมาธิการเทศนาว่าการจะออกจากใจรุนๆน <c oughs> ยิ่งก้าวขึ้นสู่ปัญญาวิชาวิมุตตหลุดท้นไปเลยนั่นออกจากใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออกจากไหนห <c oughs> ากันทำเอาไว้ <c oughs> สำหรับพระปฏิบัติเราวันนี้รู้สึกว่าหนา้นาหนา้าหน้าตาเรามีความยินดีเห็นพระลูกพระหลานผู้สาพยายามมาไกลแสนไกลนู่นทางเชียงใหม่ก็มาอุตรดิตต์ทางนู้นก็มาซึ่งเป็นทางไกลเอามาก <c oughs> แต่ความผู้สาพยายามนี้มีคุณค่ามากกว่าพอได้ ยินว่าครูวาจานจะมาพอตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาอบรมเพื่อได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัยทโดงขวดต่างๆจะได้เป็นประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติผลจะพึงปรากฏขึ้นที่ใจของเราด้วยกัน การฟังเทศจากครูจากอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นมาก่อนเราแล้ ว, ลวเป็นความสะดวกทุกอย่างเพราะท่านเบิกทางที่ถูกต้องแม่นยําให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตรองไปตามที่ไหนก็ถูกต้องไปหมดไม่เหมือนการการเทศโด้นเทศเดาที่ตนเองก็ไม่รู้เทะสุ่ม 4, สี่ซุมห้าไป ผู้ฟังก็ไม่สนิทใจผลก็ไม่ได้รับเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นครัวจารา์มาอยากได้ยินได้ฟัง <c oughs> ก็ต่างท่านต่างอุตสาห์พยายามมาสำหรับหลวงตาเองเห็นใจบรรดาพระลูกพระหลาน <c oughs> เพราะเราได้เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วครูวจาจ้านี่เป็นเข็มทิศทางเดินอย่างเอกเดี่ยว หากการปฏิบัติโดยลำพังตนเอง <c oughs> ไม่มีครูเมียอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอน <c oughs> ย่อมจะผิดจะพลาดและกำลังใจไม่ค่อยมีเมื่อได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์สดสดร้อนๆอนแล้วใจก็มีกำลังขึ้นในขั้นเริ่มแรกก็เป็นความสงบเย็นใจภายในตัวเราเองอจากนั้นก็เป็นกำลังใจ ที่จะหมายมั่นปั้นมือต่อมาต่อผลจากการปฏิบัติของตนโดยแท้นี่ลหละการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เป็นอย่างนี้สำหรับผมเองที่ได้มาแนะนำสั่งสอนพระลูกพระหลานอยู่นี่ก็ถือหลวงปู่มั่นเป็นหัวใจเป็นชีวิตจิตใจจริงๆ <c oughs> <c oughs> เวลาฟังท่านแล้ว เหมือนว่านิพานอยู่ชั่วเอื้องชั่วเอื้องคือจิตใจมันมีกำลังมากผลปรากฏในขณะที่ฟังนั้นก็เต็มหัวใจเต็มหัวใจทุกระยะระยะไปนี่แหละการได้ยินได้ฟังจึงเป็นความสำคัญอยู่มากทีเดียว <c oughs> แล้วการฝึกหัดภาวนาท่านผู้ปฏิบัติ อยากเห็นผลประจักษ์ในตัวเองขอให้ตั้งใจด้วยดีต่อการภาวนาของตนใจเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่าเป็นของิีของรีของสวยของงามอันเป็นเหตุที่จะหลอกลวงให้จิตดิด้นลนกระวนกระวายไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้วขาด <c oughs> การภาวนา ขาดความตั้งใจถ้าขาดความตั้งใจแล้วสติก็ต้องขาดไปตามตามกันเดินจงกรมกลับไปกลับมากี่ตลบก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะสติไม่อยู่กับตัวนั่งภาวนาก็นั่งเถอะอยู่ภายในที่นั่งเพราะสติไม่หมีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำอะไรในอียาบทต่าง ที่ตนเข้าใจว่าภาวนานั้นก็กลายเป็นความเหลวไหลไปหมดเมื่อขาดสติเสียอย่างเดียวเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านถือสติเป็นสาคัญเริ่มต้นตั้งแต่เราฝึกหัดภาวนาที่จิตยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ไม่มีความสงบเยือเกเย็นเลยก็ขอให้ตั้งสติ แล้วนำคําบริกรรมเข้ามาเป็นเครื่องเกาะเครื่องยืดของใจเช่นพุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโฆหรืออนนาปานสติมรณาสสติตามแต่อารมณ์แห่งธรรมใดที่เราชอบตามจลินิสัยของเราให้นำคําบริกรรมที่ตนชอบนั้นเข้ามากำกับกับใจของเรา แล้วตั้งสติให้ติดแนบกับคำบริกรรมไม่ให้วันไหวโยกร้อนไปกับอารมณ์ใดๆทั้งสิน้นให้มีงานอันเดียวคือสติกับคำบริกรรมทำงานกลมกลืนกันอยู่ภายในใจไม่ต้องไปสนใจกับเช้าสายบ่ายเย็นให้สนใจอยู่กับจิต ที่คั่วภุมิด้วยสติไม่ให้เผลอกันให้อยู่ที่นั่นตลอดไป <c oughs> อย่าทำให้เป็นวากเป็นตอนถ้าอยากจะเห็นผลประจักษ์ในการภาวนาของตัวจริงๆและตั้งหลักฐานมั่นคงขึ้นได้จากคำบริกรรม จริงๆแล้วให้มีสติกากับคำบริกรรมอย่าเผลอไผลไปไหน <c oughs> <c oughs> การยืนการเดินยืนได้เดินได้ไปได้มาได้การเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนเคลื่อนได้แต่สติไม่เคลื่อนจากคำบริกรรมไม่ยอมเผลอไปไหนเลยนี่เรียกว่าเอาจริงเอาจังแล้วอย่างไรเราจะต้องได้ ปกฏเห็นความสงบขึ้นที่ใจของเราจากการภาวนาที่ควบคุมด้วยกรรมริกรรมและบังคับด้วยสติไม่เผลอนี่เป็นความจริงแน่นอนที่เราจะได้รับในวันหนึ่งวันหนึ่งต่อไป <c oughs> นี่คือการภาวนาที่จะตั้งหลักตั้งฐานได้การคาดการเดาอย่าเอาเข้ามาหมายกับคำภาวนาของเรา จะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดทั้งสิ้นให้ตั้งจิตลงที่กล่าวยีเช่นเราบริกรรมเรายกมาเพียงเอกเทศให้นำไปปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนตามคำบุิกรรมที่ตนชอบใจก็แล้วกันเช่นเรากำหนดพุดโทโธพุโทโธคำว่าพุโทโธกับสตินี้ให้มีความรู้สึก กันอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเหมือนคนติดคุกติดตรางก็ตามเพราะมันอัดอั้นตางใจเนื่องจากใจที่เคยคิดเคยปรุงมาตั้งแต่ไหนแต่ไเรเยียกว่าปล่อยตัวมาตลอดไม่มีสิ่งใดมาควบคุมเมื่อได้เข้าสู่ที่ควบคุมด้วยการภาวนา ซึ่งกำหนดด้วยสติอย่างแน่นหนามั่นคงให้เผลอแล้วจิตย่อมดิบย่อมดิน้นอยากคิดนั่นอยากปรุงนี้ความอยากเหล่านั้นให้เพ่งเข้าใจในทันทีทันใดนั้นว่านั่นคือกิเลสผลักดันออกไปเพื่อให้คิดตามความต้องปารต้องการของมันเช่นคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรส เรื่องอดีตอนาคตอไรต่างๆนั้นนะนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จิตที่มัน <c oughs> คิดไปตามอํานาจของกิเลสฉุดลากไปเราให้หัดห้ามนี้ให้แข็งแรงมั่นคงถึงจะอึดอัดใจขนาดไหนก็อย่าปล่อยอย่าวางคําว่าอึดอัดถ้าถ้าว่าอึดอัดมันจะหาทางผ่อนคลายไปนะ ผ่อนคลายคือผ่อนคลายไงมันจะปล่อยไปตามความอยากคิดแต่นี้พอจิตออกทางความอยากคิ ด, ดแล้วมันก็คิดตะเลิดเปิดเปิงครั้งนี้เสียไปแล้วครั้งต่อไปก็อยากคิดอย่างเดิมแล้วก็คิดไปอีกตามเดิมผลสุดท้ายคำบริกรรมกับสติก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์และไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ภาวนาเลย นี่ขอให้ทุกๆ ท, ท่านจับให้มั่นคงอันนี้ผมเคยดำเนินมาแล้วอันได้ผลเป็นที่พอใจจึงได้นำวิธีการนี้มาสอนท่านท่านหลายเบืเ้องต้นก็จิตเสื่อมแล้เบื้องต้นจริงๆภาวนานี้จิตสงบเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงเหมือนหินทั้งแทง่ง จึงลืมตัวว่าจิตนี้จะไม่เสื่อมซามลงไปไหนเพราะเราไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นและไม่เคยรักษาจิตประเภทนี้มาก่อนเพราะไม่เคยปรากฏเมื่อปรากฏแล้วก็ทำให้นอนใจนึกว่าจะไม่เสื่อมไปได้แล้วก็ห่างเหินจาก การภาวนาที่แน่นหนามั่นคงของตนขั้นต่อไปจิตก็ยิบยับยิบยับภาวนาเข้าสงบได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างเพียงเท่านั้นเป็นเหตุแล้วก็รีบออกปฏิบัติอย่างเข้มแข็งต่อไปผลได้มาก็มีแต่ความเจริญขึ้นไปแล้วสองสามวันแล้วเสื่อมลงมา สองสมวันเสื่อมลงมาแล้วพยายามดึงขึ้นไปตั้งสิบสี่สิบห้าวันแทบเป็นแทบตายแล้วก็เสื่อมลงมาเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าๆนี่แหละที่ว่าบวชมาในพุทธศาสนานี้เราไม่เคยได้รับความทุกข์ ความทรมานใจความรุมร้อนจิตใจในคราวใดมากยิ่งกว่าคราวที่จิตเสื่อมจากสมาธิจิตเสื่อมจากสมาธิแล้วนี่มันเหมือนไฟที่เผาหัว อ, อกเหมือนไฟไม้กองแกลกนั่นแหละมันสมมอยู่ภายในไปที่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้เดือดร้อนภายในตัวเองจึงเรียกว่า เป็นทุกแสนสาหัสในเวลาจิตเสื่อมอยู่ประมาณปีกว่านี่นะจึงอันได้หาอุบายวิธีการต่างๆเข้ามาแก้ไขกันแล้วทุดท้ายก็เอาคำบริกรรมเพราะแต่ก่อนเราเคยกาหนดอาจิตของเราที่มีสมาธิแน่นหนามันคงนั้นเป็นอารมณ์ของใจ อันเวลาจิตเสื่อมเราไปแล้วเราก็เนื้อต่างนั้นให้เป็นอารมณ์ของใจมันก็ไม่มีสมาธิใดพอที่จะให้เกาะเป็นอารมณ์ของใจได้ใจก็ไม่ได้หลักได้เกณฑ์ไม่ได้หลักได้เกณฑ์ให้ยามตั้งสติแล้วมันกระเผลไปจนได้นั่นเนี่ยจนกระทั่งได้หมุนกลับคืนมาคิดย้อนหน้าย้อนหลัง สงสัยตนเองอาจจะขาดคาบริกรรมไม่ติดแนบกับใจใจจึงได้เสื่อมไม่เห็นต่อหน้าต่อตาจากนั้นมาก็ตั้งความสัตย์ความจริงและตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะใช้คาบริกรรมติดแนบกับใจไม่ยอมให้พลากไปจากใจเป็นอันขาดตั้งแต่บัดนี้ต่อไป จิตใจของเราจะเสื่อมก็ดีจะเจริญก็ดีจะไม่เป็นอารมณ์กับมันเพราะมันเคยสร้างกองทุกข์ให้เราแล้วเสื่อมไปอยากให้เจริญเท่าไหร่ก็มีแต่ความอยากแต่มันก็เสื่อมไม่เห็นต่อหน้าต่อตาสร้างทุกข์ขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจอยู่อย่างนี้เป็นประจำ <c oughs> วันนี้จะไม่สนใจกับความเสื่อมของใจก็ดี ความเจริญของใจก็ดิจะไม่มาถือเป็นอารมณ์ให้เกิดความทุกข์อีกต่อไปแต่คำบุรีกรรมกับสตินี้จะให้ติดแนบจากกัน ค, คำว่าสติกับคำบุริกรรมนี้จะไม่ให้เสื่อมให้ติดกันไปตลอดอะไรจะเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอะไรจะเจริญก็จเจริญไปแต่จะไม่ปล่อยคาบริกรรม คือพุโทโธพุโทโธติดแนบกับสติไปตลอดบางครับปัญชามันอยากคิดอยากคุ้ไปที่ไหนบางครับเหมือนคนติดคุกติดตารางนั่นแหละเวลาจิตมันดิ้นรนกรวนกวายอยากส่งออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามความชอบใจของมันเหมือนแต่ก่อนแต่เราบาังคับไว้ไม่ให้คิดเอาหนักก็เอา ไม่ยอมให้เผลอไปคิดจนได้บีบบี้สีไฟอยู่นั่นจะเป็นจะตายก็ให้มันตายกับคำบริกรรมด้วยสตินี้ไม่ให้ตายด้วยแบบอื่นตั้งหน้าตั้งตานี่แหละเราจะได้เห็นเวลาอารมณ์ของใจคืออารมณ์ของกิเลสเวลามันมีมากๆแล้วมันผลักมันดันจิตใจเหมือนหนึ่งว่าอกจะแตก มันอยากคิดอยากปรุงแต่อันหนึ่งก็บังคับกันอย่างแน่นหนามัน่นคงบีบบังคับไว้ไม่ให้คิดให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธกับสติอย่างเดียวบีบไ้ก็ไม่นานต่อไปอารมณ์ที่มันผลักมันดันอย่างรุนแรงนั้นก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงการฝึกอิติ ด้วยคำบริกรรมนี่ก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเบาใจลงไม่ได้ฝ่าฝืนซึ่งกันและกันหนักหนานักเหมือนแต่ก่อนนั่นหละจากนั้นไปจิตก็ค่อยเริ่มมีความสงบความผลักดันของใจที่เคยคิดไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหานั้นค่อยเบาลงเบาลงคำบรีกรรม กับสตินี่ติดแนบตลอดไม่ห่างเหินจากกันเลยในตั้งแต่ตื่นนอนฟังให้ดีตั้งแต่ตื่นนอ น, อตตต น, อนสติกับพุทโธติดปับ๊บต่อกันเลยจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอไปไหนเลยเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะพิสูจน์จิตดวงนี้อย่างเต็มความสามารถของเราเราจึงทำให้ถึงใจ อย่างนั้นไม่ให้เผลอเลยนะจะเคลื่อนไหวไปมาแม้ที่สุดเวลาฉันจังหารอยู่นี่ก็ไม่ให้เผลอให้มีพุโทโธติดแนบด้วยสติความรู้สึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดต่อไปใจก็ค่อยสงบเย็นลงไปสงบเย็นลงไปจนกระทั่งจิตนี่ได้รับคำบริกรรมติดแนบตลอดเวลา อยู่แล้วสงบลงไปจนกระทั่งเป็นความละเอียดละเอียดจนกระทั่งนึกคําบริกรรมพุโทโธเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เลยนึกก็ไม่ออกไม่มีพุโทโธไม่มีทำความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่ตัวว่าเมื่อพุโทโธไม่มีตามที่เราบริกรรมแต่ก่อนแล้วเราจะทำอย่างไรอา้าวพุโทโธไม่มีผู้รู้มีอยู่ ให้ตั้งสติอยู่กับผู้รู้ที่ละเอียดละอ่ในเวลานั้นก็ตั้งสติก่ออยู่กับผู้รู้นั้นเพราะบริกรรมมันไม่ปรากฏมันละเอียดนะทีนี้เวลาได้จังหวะแล้วจิตอนั้นก็ค่อยถอยถอยตัวหรือขยายตัวออกมาเล็กน้อยพอนึกคําบริกรรมได้ก็เอาคําบริกรรมพูดโธติดแนบเข้ า, าไปตามเดิมอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อถึงจังหวะที่ละเอียดมันก็เป็นอย่างเดิมกันอีกเราก็อยู่กับความรู้ที่ละเอียดเสียนะครับบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมแต่สติให้ติดอยู่กับความรู้ที่ละเอียดนั้นไม่ให้ห่างเหินจากกันทําอย่างนี้ไปจิตใจที่มีความเจริญขึ้นมาจากก่อนแล้วเสื่อมลงจเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงนั้นปรากฏว่าไม่เสื่อมค่อยแนบ แน่นขึ้นไปโดยลำดับลำดาก็แน่ใจว่าที่นี้ถูกทางแล้วก็ยิ่งขมักขม่นต่อความผ้าเกียงต่อสตินั่นแหละสำคัญมากกว่าอย่างอื่นเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกิดอ้าวเข้าสู่สมาธิที่เคยเป็นแต่ก่อนถึงขนาดที่ว่าแน่นหนามันคงประหนึ่งว่าหินทั้งแทง่งปรากฏขึ้นที่ใจแล้วอ้าวที่นี่ เมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วมันเสื่อมลงไปได้ดังที่เราเห็นแล้วนะดัดดันเราให้เข็ดหลาบจนกระทั่งบัตร น, นี้คือจิตดวงนี้เองอดวงที่เป็นอยู่เวลานี้เอามันจะเสื่อมไปไหนไม่เสื่อมบังคับอยู่นั่นนหะับเอาพุโทโธติดอยู่ร่วยนะไม่ยอมปล่อยเอาจะเสื่อมไปไหนให้เสื่อมจ ะ, จะเจริญก็ตามจะเสื่อมก็ตามเราจะไม่เป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ เราจะอยู่กับสติกับคำบริกรรมนี้เป็นรากฐานเท่านั้นทีเวลามันจเจริญขึ้นจิตใจมันก็แน่นหนามั่นคงถึงขั้นนี้แล้วเอา้าจะเสื่อมก็เสื่อมไปเราไม่เสียดายแต่พุทธโธจะไม่พลากจากกันให้เป็นคำบริกรรมตลอดนี้จิตก็ถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ไม่เสื่อม ไม่เสื่อมก็ยิ่งหนักเข้าและแน่ใจเข้าไปว่าที่นี่ได้หลักเกณฑ์แล้วก็ขยับเข้าไปโจนกระทั่งจิตนี่แน่นปังแน่นปังเเป็นเหมือนภูเขาล้วหิงทั้งแทง่งเอาขั้นนี้มันก็เคยเสื่อมเราไม่ตายใจกับมันเราไม่สอยภาวนาอยู่ตลอดจนกระทั่งจิตนี้กับ ความความรู้กับความบริกรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเด่นอยู่กับความรู้นี้จึงเอาสติติดไว้กับความรู้ที่แน่นหนามัน่นคงซึ่งเรียกว่าสมาธิสมาธินั่นแหละให้ติดแนบอยู่นั่นตลอดไม่ปล่อยวางต่อไปก็ยิ่งแน่นหนามั่นคงขึ้นไอ้ทีนี้ก็แน่ใจที่มันเคยเสื่อมไม่เสื่อมแล้วคราวนี้ เรินขึ้นเป็นลำดับเป็นที่แน่ใจในอุบายวิธีการที่เราทำมาแล้วนี่นี่เบื้องต้นแห่งการฝึกจิตใจเป็นอย่างนี้จากนั้นจิต ก, ก็ก้าวเข้าสู่ธรรมอนละเอียดยิ่งกว่านี้จึงจะจึงไม่อธิบายไปจะอธิบายเฉพาะลากฐานสำคัญที่ให้พระลูกพระหลานได้นำไปปฏิบัติขอให้มีความจริงจังต่อภาคปฏิบัติของตน อย่าลาะเลาะและแหละอย่าเปลี่ยนคําบริกรรมบ่อยๆเดี๋ยวเปลี่ยนเอาคํานั้นว่าจะดีเดี๋ยวเปลี่ยนเอาคํานี้ว่าจะดีอย่างนี้เป็นจะเป็นความเหลวไหลยโยกคลอนไม่มีความสัตย์ความจริงเมื่อเราชอบในคําบริกรรมใดให้เอาคําบริกรรมนั้นติดแนบผิตตลอดไปเลยนี่เป็นความถูกต้องดีงามและ จะได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นจากการภาวนาของตนโดยแท้ไม่ต้องสงสัยขอให้ทำดังที่ว่าแต่ต้องเป็นความจริงนะอย่าเลาะแหละอย่าเปลี่ยนคริกรรมบ่อยแล้วตั้งสติภาวนาทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีหน้าที่การงานคือการภาวนาโดยแท่เดียวเพราะเราเป็นนักบวชไม่มีงานใดเข้ามาเรื่อมาแฝงเลยแต่เราจะ เร่ล่อนไปเสียด้วยจิตชิดนั้นชีนี้อย่างนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งขอให้จับติดจับติดอยู่กับคำภาวนานั้นให้ดีแล้วจิตจะมีความสงบเย็นแังแน่แนหนามันคงขึ้นมาความสว่างสวัยอยู่ในขั้นสมาธินี้มันทราบเองแหละไอ้เรื่องความสว่างสวัยกับความสงบ จิตเป็นอันเดียวกันแล้วความสว่างสัยจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราจากนั้นเมื่อจิตพอพิจารณาทางด้านปัญญาได้ก็ขอให้เอาจิตที่สงบอยู่โดยหลักธรรมชาตินั่นแหละนะคือสงบที่มันหยุดปรุงก็มีเป็นการเป็นเวลาเวลามันสงบจริงๆไม่คิดไม่ปรุงอะไรปล่อยอารมณ์คิดปรุงเสียทั้งหมด เหลือแต่ความรู้ล้วนๆอย่างนั้นเรียกว่าจิตเข้าสู่สมาธิถ้ามันสงบหรือมั น, มนอยู่เช่นนั้นก็ปล่อยให้อยู่เสียพอถอยออกมาจากนั้นแล้วฐานแห่งความสงบของใจยังมีอยู่ประจำใจเราทีนี้ให้พิจารณาคลี่คลายถึงเรื่องอมีปัษษัสนามีปััชนาแปลว่าความรู้แจ้ง รู้แจ้งในธาตุในขันในตะปุ่ละกายของเขาของเรานี่แหละที่ท่านว่าวิปัสสนาเวลามันมืดมันก็นมืดทีนี่มืดยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมองเห็นภูเขามองดูภูเขาทั้งลูกมองเห็นชัดเจนแต่มองดูกายเขากายเหล่ากายหญิงกายชายมันเป็นเทวบุตรเทวดาไปหมดมันไม่ได้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล <c oughs> เป็นธาตุ สีด่ดินน้ําลมสายมันไม่ได้ว่าเป็นของอสุภะอสุปังน่าเกลียดน่ากลัวมันไม่ได้ว่านะมันเหมาเอาเลยว่าประหนึ่งว่าเป็นเทวราอืทั้งองค์ทั้งองคนะ์น่ะหญิงมองเห็นชายก็แบบนั้นชายมองเห็นหญิงก็แบบนี้เพราะฉะนั้นโลกอันนี้จึงติดอยู่กับภูเขาภูเราภูเขาทั้งลูกไม่ค่อยติด แต่ภูเขาภูเราของเขาของเรากายเขากายเรากายหญิงกายชายนี่ติดด้วยกันทั้งนั้นนี่มันมือดอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> แล้วให้ใช้ปัญญาพิณิพิจารณาแยกดูเรื่องธาตุเรื่องขันตามแต่จริตนิสัยของใครจะก้าวเดินในทางไหนให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันตั้งแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูก เข้าไปตับไตใส้ภูมงอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาดูให้หมดมันมีอยู่กับตัวของเราพิจารณาด้วยปัญญานี่ให้แยกธาตุแยกขันออกอันนั้นเป็นส่วนนั้นอันนี้เป็นส่วนนี้รวมแล้วก็เรียกว่าในร่างกายของเหล่านี้มันก็มีอยู่สี่ธาตุที่เด่นชัดก็คือธาตุดินได้แจ่ส่วนที่แข็งแข็งดังที่ตำราท่านบอกไว้นั้น ส่นที่อ่อนก็เป็นธาตุน้ําำลมผ่านไปผ่านมามีลมหายใจเป็นต้นท่านเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายของเราท่านเรียกว่าธาตุไฟแล้วก็มีวิญญาณธาตุเข้าสิงอยู่นั่นเรียกว่าใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นธาตุของมันแต่เ่าเสกสันปั้นยอให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ ขั้นแล้วก็มาติดพันในความเศสศสานปัญญาของตัวเองและติดตัวเองและติดภูเขาภูเราไปที่ไหนติดทั้งนั้นไม่ว่าเหญยงว่าชายว่าพระว่าในถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามหลักแห่งการภาวนาแล้วจะติดด้วยกันไปตั้งกับตั้งกันไม่มีวันถอนตัวได้เลยนี่ <c oughs> จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณา ในขณะที่ใช้ปัญญาให้พิจารณาด้วยสติเหมือนกันเราอยากปล่อยไปแล้วเลยสติสตินี้มีความจำเป็นทุกระยะไม่ว่าสมรรถะไม่ว่าวิปัสสนาไม่ว่าธรรมะจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนสตินี่ต้องติดแนบเป็นลำดับลำดาไปสติจึงเป็นธรรมจำเป็นมากในความภาคเยืนของผู้ปฏิบัติเมือเวลาพิจารณา ใจิตใจของเรามันจะได้เห็นเรื่องธาตุเรื่องขันสกุลากายทุกสัตว์ทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งของเขามาเทียบเช่นพระพุทธเจ้าท่านทรงอสอนให้พระไปเยี่ยมป่าชา้าก็คือว่าดูป่าช้าหน่วยตัวเองมันยังไม่เห็นป่าช้าที่ติดอยู่กับตัวนี่เรียกว่าป่าช้าผีดิบมันยังไม่ตายเรียกว่าป่าช้าผีดิบ ตายแล้วเรียกว่าป่าช้าผีตายเมื่อยังไม่เห็นป่าช้าผีดิบอี่แล้วท่านก็สอนให้ไปเยี่ยมป่าชา้ารังทุดงควัตรที่สอนให้เยี่ยมป่าช้านั่นแหละให้ไปดูป่าช้าที่เขาตายเก่าตายใหม่เต็มอยู่ในนั้นตั้งแต่ก่อนเขาไม่ได้มีการเผาการฝังกันสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ตายนี่ เอาไปทิ้งไว้ในป่าชาไม่มีการเผาการฝังกันนะท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าชาให้ไปดูป่าชาการดูป่าชาท่านกระบอกวิธีการดูหลายแบบหลายฉบับตายเก่าตายใหม่ตายมาจนจนเป็นถุเป็นพังไปแล้วเป็นดินเป็นน้ําแต่มองเห็นซากกระดูกอยู่นั่นเป็นประเภทนึงแล้วตายใหม่นี่ ตายประเภทไหนตายใหม่ท่านกระสอนวิธีเข้าเยี่ยมป่าชาให้ไปทางเหนือลมนี่นั่นวิธีการอย่าไปทางใต้ลงให้ไปทางเหนือลงจะไม่ถูกกลิ่นของศพแห่งสัตว์ที่ตายเกลื่อนอยู่ในป่าช้านั้นแล้วจะได้สนุกพิจารณาถ้าจิตใจยังไม่เข้มแข็งด้วยสติปัญญาก็พิจารณา ธาดขาดอังชาตุกระสบที่ตายเก่าๆแต่แต่ไปแล้วยังยังเหลือแต่โครงกระดูกลุ่ยเหลือแต่กระดูกเลี่้ล่าสากระจายอยู่ทุกแห่งทุกหนและดูเข้ามาจนกระทั่งถึงคนตายกะตายใหม่ขึ้นมามันเน่ามันพองมันขึ้นอืดขึ้นลาแล้วแต่กระจากระจายอยู่ตามนั้นเอาดูเข้ามาดูเข้ามาท่านห้ามไม่ดูตาไม่ไปดูศพที่ตายใหม่ๆ ซึ่งเขามาทิ้งใหม่ๆนั่นยังไรละสภาพเดิมยังถือสําคัญว่าเป็นของสวยของงามได้อยู่อย่าเข้าไปอย่าด่วนไปพิจารณาศพประเภทนี้นี่ท่านก็สอนไว้หมดในตาราเราก็พิจารณาเยี่ยมป่าช้านั้นนี่เรียกว่าป่าช้าผีตายทีนี้เราพิจารณาเราเนี่พิจารณาป่าช้าผีดิบคือตัวของเราเองเทียบดูในโลกกฐานนี้ เพียงหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นก็เสกกันขึ้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลป้หนึ่งว่าเทวดาชั้นฟ้าสู้ไม่ได้มีความสวยงามสู้มนุษย์หนังบางๆหอนี้หุ้มไว้นี้ไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นโลกมันถึงได้ติดพระพุทธเจ้าให้ทรงจิตเขาไปหาความจรงิงคือปัญญาสอดส่องเข้าไปดูตามหลักความจรงิงมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหน ข้างนอกแม้เป็นผิวหนังว่าสวยว่างามมันก็มีขี้เหงื่อขี้ใครติดเรียกว่าเป็นขี้นะขี้ใครติดอยู่ในผิวหนังเอาฝ้าผิวหนังเข้าไปหาหนังไปยังไงเต็มไปด้วยเลือดด้วยเนื้อเยื่อไปหมดทั่วสกุลรากายฝ้าผิวหนังเข้าไปเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกพิจารณาแยกเข้าไปจนกระทั่งถึงอาหารเก่าอาหารใหม่แยกแยะดูด้วยสตินะคํา ทำการพูดนี้ปราศจากสติไม่ได้เพราะเราต้องการดูของจริงนี่เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาดังที่กล่าวมานี้ซ้ำๆ ซ, ซากๆเหมือนเขาคาดนาเขาคาดนาไม่เขาไม่นับเที่ยวนะว่ากี่เที่ยวกี่ตลบทบทวน แต่เขาให้คาดไปคาดมาจนกระทั่งมูลคาดมูลไถ่แหลกละเอียดพอปักพอดำได้แล้วค่อยปักค่อยดำนี่การพิจารณาอาชุภะอาุพังธาตุาาเขาธาตุเราก็พิจารณาจนมีความชำนี่ชำนาญเกิดความสฉลิสังไว้มันาเป็นขึ้นในใจของผู้พิจารณายิ่งเห็นชัดเจนเข้าไปเท่าไหร่ ยิ่งเกิดความฉลาดสัมเวศเกิดความยขยักขย้งเป็นไปทุกอย่างนี่แหละจิตมันจะเริ่มถอนอุปทานความยิดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสวยของงามแต่มันกลับกลายมาเป็นของปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดน่ากลัวด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณาตามหลักความจริง <c oughs> แลีเมื่อมันเห็นเข้าไปอย่างนั้นแล้วหากว่าเราพิจนารณานานไปจิตใจมันเทินนะ ถ้ามันไนรู้เข้าไปรู้เข้าไปนี่เป็นความเพลนยากพิจารณาไปเรื่อยๆอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นความเพลินเกินตัวก็ให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ความสงบคือสมาธิเสียนะ mm. คำว่าสมาธินี่เรานำคำบุิกรรมนั้นหละไม่ไม่มีคำว่าครอวาราสมัยไม่มีชั้นนั้นชั้นนี้สูงสูงต่ำาๆ เอาคำบริกรรมตามเดิมมาติดกับจิตตามเดิมนั่นแหละจิตไม่ได้สูงได้ต่ำคำบุริกรรมก็ไม่สูงไม่ต่ำเอามากำกลับให้สติติดอยู่กับคำบุริกรรมเพื่อความสงบของสมาธิของเรานี่และส่วนมากถ้าเรารู้จักประมาณตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพอถอยเข้ามาสู่สมาธิจิต ก, ก็สงบไปได้ง่ายนี่ถ้ามันเพลินเกินตัวต้องเดบังคับให้พิจารณาทางด้าน ด้วยสตินำคำวิกรรมเข้ามาพิจรารณาให้จิตสงบแน่วเวลานั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาที่พิจารณามากน้อยอยากละเอียดแค่ไหนอย่านำมาเป็นอารมณ์ในขณะที่เราต้องการความสงบให้จิตอยู่กับความสงแบแน่นอยู่นั้นจนกระทั่งจิตมีกำลังแล้วถอยตัวออกมา สงควรแจ้การพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยพิจารณามาแล้วได้เราก็มีนาทางด้านปัญญาทำอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องเป็นมัชจิมาปฏิปทาส ม, ม่าเสมอเสมอต้นเสมอไปเวลาทำงานคือการพิจารณาทางด้านปัญญาเราก็ทำงานพิจารณาไปเวลาเราจะพักผ่อนจิตให้มีความสงบในสมาธิเราก็พักเอากำลังของใจ เพื่อก้าวสู่ยิทาสนาต่อไปให้เป็นบักเป็นตอนเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องยุ่งกับสมาธิเพราะหนึ่งว่าสมาธิไม่มีมีแต่เรื่องปัญญาออกก้าวเดินแยกธาตแยากขันธ์แยกสากุลนาายซ้ำๆสากๆแล้วมันจะมีความํำนานขึ้นมาเองแล้วจะคล่องตัวไปเรื่อยๆเมื่อจิตใจรู้สึกอ่อนเพลียในการพิจารณาเนี ให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิทำใจให้มีความสงบแล้วไม่ต้องกังวลกับทางด้านปัญญาต่อไปให้ทำหน้าที่จิตเป็นสมาธิรวมแน่วอยู่นั้นเรียกว่าสังสมกำลังให้อยู่จนกระ ท, ทั่งจิตพอแก่ความสงบเรียบร้อยแล้วถอยออกมาก็พิจารณาทางด้านปัญญาตามเดิมนี่เรียกว่าเป็นความถูกต้องแม่นยำสม่ำเส ม, เมอ ไม่ลุ่มๆุ่มต อ, อนดอนขอให้พระลูกพรหลานพิจารณาอย่างนี้ <c oughs> แล้วรับพิจารณาไปทีนี้การพิจารณาร่างกายนี้เมื่อนานเข้าไปนานเข้าไปมันจะคล่องตัวรวดเร็วมากเดียวอันนี้จะมาอธิบายมาจะปรากฏขึ้นกับผู้พิจารณาคล่องตัวแล้วด้วยกันไม่มีใครบอกใครละพอมันถึงถึงขั้นคล่องตัวแล้วมันจะหมุนตัวไปเพลินต่อการพิจารณาเรื่อยๆ จนกระทั้งได้หักห้ามเข้ามาสู่สมาธิให้พักตัวนี่ให้พาการกาหนดเอาไว้ให้ดำเนินอย่างนี้แหละนี่ท่านเรียกว่าดำเนินเพื่อมรักเพื่อผลมรักผลนี่พานอยู่กับภาคปฏิบัติไม่อยู่กับตำหลับตาราไม่อยู่กับดินฟ้าอากาศไม่อยู่กับการสถานที่เ ว, เวลาที่ไหนนะอยู่ที่ใจของเรา ใจก็อยู่กับภาคปฏิบัติของเราที่จะปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสทั้งหลายที่มันหุ้มห่ อ, อจิตใจนี้ให้กระจายหรือให้จางออกไปจางไปจิตใจเราจะได้มีความสง่างามจิตใจสง่างามแล้วไม่มีแรงามเป็นหัวใจนะ่ะอันนี้แหละธรรมที่เลิศเลิศอยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนลงจุดนี้นะพวกนบรรดาสาวกทั้งหลายท่านดึ ระดับจับฟังจากพระโอวาของม่านเจ้าสดสดร้อนๆท่านมาปฏิบัติท่านก็ตักตัวมรรคผลนิพพานขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสังขังสนงามกัจจามิของพวกเราคือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของพวกเราตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะท่านเป็นสารณะของท่านได้โดยสมบูรณ์แล้วนี่ละภาคปฏิบัติ าศาสนาธรรมนี้เป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพานอยู่เรื่อยมาเรียกว่าอากาลิโกไม่มีคลือไม่มีล่าสมัยเสมอต้นเสมอภายสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงตักตวงอมรรคผลนิพานได้ตลอดมาเช่นเดียวกับครั้งพุทธการหรือครั้งพระเจ้ายงทรงพระชนดูเพราะทมเป็นสวาคาธรรมแบบเดียวกันสอนรมนี้ ก็เอาทรมาสอนสอนเพื่อแก้กิเลสแก้วิธีใดท่านก็สอนดังที่อธิบายให้ฟังสักคู่นี้นี่ให้พากันดำเนินอย่างนี้อย่าพากันตื่นเต้นดีดดิ้นไปกับโลกกับยงศารมันมีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นแนละเวลานี้ศาสนาเราที่เป็นชาวพูทแทบไม่ปรากฏศาสนาประจำตัวของบุคคลบุคคลแต่ละคนเลยนะ มันมีแต่เรื่องของกิเลสหอ้อมล้อมปิดปังหุ้มห่อไว้หมดมองเห็นคนเห็นตะกิริยาของกิเลสที่แสดงออกมาบังคับบัญชายิยาเมตยาติการไปกันมาการพูดการจาการอยู่การกินการใช้สอยทุกอย่างมีตะกิเลสควบคุมเป็นอำนาจของกิเลสไปเสียหมดมันเลยกลายเป็นกิเลสไปหมดในคนทั้งค่มคาว่าทรรมคือความพอเหมาะพอดีเลยไม่ค่อยปรากฏและยังไม่ปรากฏ มันจะมีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายทำคือความพอดีไปเสียได้เรื่อยอย่างเนี้ยนะจึงให้พากันลื้อฟื้นตัวเองเวลานี้กำลังถูกกิเลสบีบีสีไฟทั้งคารวาสญาตโยงทั้งพระกิเลสมันไม่เลือกหน้าแหละมันมันเป็นนายมาดั้งเดิมแล้วเราบวชอย่างนี้กิเลสมันไม่ได้บวชนะเราอยากเข้าใจว่าเราบวชแล้วเราภูมิใจความภูมิใจก็ ว่าเราบวชแล้วนี้ก็เป็นบุญกุศลหนึ่งแต่ไม่พ้นที่จะเป็นความลืมตัวบวชมาดีใจแต่ความลืมตัวดีใจเฉยๆไม่สนใจกับการภาวนามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิวัติเถิดศาสตราวุธที่จะสังหารกิเลสให้สิ้นซากลงไปเริ่มต้นตั้งแต่เกสารุมานักหาตาตะโจผมขนแวบฟันหนัง กูปชาท่านมอบไปแล้วตั้งแต่วันัวชนี่คือศาสตราบุธที่จะสังหัสสังหารสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตัวของเรานั่นคือผมผมก็สวยก็งงามผมผู้หญิงก็สวยผมผู้ชายก็สวยนเนี่ยขนเล็บฟันสวยไปหมดนั้นหนังสวยไปหมดท่านสอนไปเพียงหนังถึงตาโจแล้วท่านหยุดก็นี่เส้นหยุดหยุดนั้นเพราะอะไรเราล่อง ถ้าหลอกหนังออกที่พอหนังออกจากตัวหมดแล้วความสวยงามมันก็ไม่มีมีตั้งแต่เยิมไปด้วยเลือดด้วยเนื้อเต็มตัวของเราท่านจึงสอนเพียงตาโจเท่านั้นแล้วก็สอนย้อนหน้าย้อนหลังเกษารูมาณขาทันตาตาโจตาโจดันตานขาโรมาเกษาเนี่ยท่าน สอนทบทวนให้ดูนี่แหละเครื่องมือมัเป็นอาวุธอันสําคัญที่จะปราบปรามสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มันแทรกอยู่คือความสวยความงามคือเขาคือเราคือหญิงคือชายวิจารณานี่ตีเข้าไปหญิงชายจะไม่มีความสวยความงามจะไม่มีมีแต่หลักธรรมาชาติล้วนซึ่งเยิ้มไปด้วยความโกลกกโสมมมที่จุตเต็มอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยปัญญาอยั่งเข้าไปตรงนี้มันคลายความ ยินดีความเพลิดเพลินกับร่างกายไปโดยลําดับลาดาเมื่อพิจารณาไปเท่าไรยิ่งมีความแยกภายการพิจารณาร่างกายนี้มีความแยกผายและคล้องตัวไปโดยลําดับลาดาจนกระทั่งได้อย่างไกลพิจารณาปั๊บให้แตกทงังทลายลงไปด้วยลูกอย่างรวดเร็วรวดเร็วได้ทั้งนั้นด้วยความฉํา น, นานของสติปัญญาเรา ให้นำไปใช้นะนี่แหละมรคนิพพานท่านอย่าทั้งหลายอย่าไปหาที่ไหนนะอย่าไปหาตามกาสถานที่เว ล, เวลาตามมืดตามแจ้งต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศหาท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีมรคนิพพานไม่มีีิเลกีิเลสอยู่กับที่กับหัวใจเรามรคนิพพานก็อยู่ที่หัวใจเราเวลานั้นมันผูกพันกัน ให้เราได้รับความทุกข์ก็คือคกิเลสผูกพันหัวใจเรามันไ้ได้รับความทุกขาา์ความยานลรบาต้องอาศัยเครื่องมือที่ว่าเป็นศาสตรอาวุธนี่แหละเกษาโรมานาขาทันตาตะโจนแยกธาตุแย ก, แยกขันธ์แยกทุกข์สั์ทุกส่วนให้เป็นชิ้นเป็นอันทำแล้วทำเราซ้ำซ้ำซากษากเป็นงานประจำจิตใจประจาความเกียนของเราอยู่โดยสม่ำเสมอ แล้วนี่เรื่องสมาธิจะเป็นขึ้นมาเองล่ ะ, ะเมื่อเราดำเพ็ินอยู่ตลอดนอะสมาธิความสงบใจก็เป็นขึ้นมาเองปัญญาความรู้แจ้งก็จะรู้แจ้งไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเราฝึกหัดดัดแปลงอยู่เสมอจะเป็นการคล่องตัวไปเรื่อยๆแล้วมีการถอดการถอนอุปาทานความมิตรมัน่นถือมัน่นในเขาในเราไปไปเสียได้ะนั่นไปเรื่อยๆเรื่อยอย่างนี้ เรียกว่าการพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องทำขั้นละเอียดลงไปนั้นตัวร่างกายนี่แหละเป็นตัวสําคัญมากมันปิดมันบังเอาไว้หมดไม่ได้เห็นมรรคผลที่อานว่าเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรยิ่งกว่าความรักความชังในกายเขากายเรากายหญิงกายชายอันนี้มันเลือดไปเสียทั้งนั้นแหล ะ, ะชางมันก็เลือดมันถือว่าดีไปด้วยความชังเพราะฉะนั้นมันถึงชังโกรธมันก็ถือว่าดีไปเสียมันถึงโกรธเนี่ย อะไรก็ดีไปหมดถ้าเป็นเรื่องกิเลสเข้าแทรกที่ไหนแล้วดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นต้มไปได้ทั้งหมดนั่น่เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญาเข้าแทรกพิจารณาแล้วมันจะค่อยพิการกันออกนี่แหละการพิจารณาให้ อ, อานี้แล้วต่อไปเราจะค่อยคืบหน้าไปเองความละเอียดแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาดังที่กล่าวนี้จะค่อยรู้ค่อยเห็นไปตาม การประพฤติปฏิบัติของตนท่านเรียกว่าสันทิทฐิโกคือรู้เองเห็นเองเป็นลำดับตำดาไปหมายภากันตั้งอกตั้งใจเวลานี้ศาสนานเลียวแหลมยน่มันเลยเลียวแหลมแล้วนะดูที่ไหนมันดูไม่ได้ให้เราดูพวกเราเองนะดูพระดูเนรเราอย่าไปดูประชาชนคนเมืองเขาที่เขาไม่มีขอบเขตมีหลักมีเจนเขากับ อธิบัติหรือทำหน้าที่ของคารวาสไปตามยถากรรมไปตามอัจฉริยาสายของเขาแต่เราเป็นทาบมีขอบมีเขตมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นรั้วกัน้นไว้สําหรับความชั่วไม่เข้ามาติดตัวของเราเราให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาให้ดีนี่แหละเป็นของสําคัญนะแล้วให้บําเพ็ญตลอดไปเรื่องมรรคเรื่องผลท่านทั้งหลายอย่าไปถามที่ไหนให้ดูที่จิตของเรา ระหว่างกิเลสกับธรรมมันฟัดกันอยู่ที่จิตส่วนมากกิเลสเป็นชัยชนะไปตลอดมันจะคิดเรื่องปรุงแต่งเรื่องราวอะไรนี่มันจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวเป็นของเลดิดของเหลือขึ้นมาทุกอย่างนั่นแหละถ้าลมกิเลสได้คิดไปแง่ไหนเป็นทองคําทั้งแท่งขึ้นมาตื่นมันตลอดไปเลยหลงไปตามมันเพราะฉะนั้นจึงเอาต้องเอาธรรมะเข้าแก้กันอย่างที่ว่านี่นะ พิจารณาจริงๆจังๆหลักใจจะขึ้นจากการปฏิบัติและอาการปฏิบัติดังที่อธิบายให้ฟังแล้วในเบื้องตน้นถ้าผู้ยังไม่ได้หลักใจให้ตั้งหลักใจด้วยวิธีการที่แสดงให้ฟังนี้ให้พยายามจริงๆริจังจะต้องปรากฏแน่นอนแต่ต้องเป็นคนจริงนะอย่าทำละละแหละ ทำตั้งสติได้เสียชั่วระยะนี้ต่อไปก็เผลอเผลอไปเ ส, ป เ, สเลยเถิดไปเสียจนกรทั่งวันตายก็ไม่เกิดประโยชน์นะถ้าเอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าที่ผมนํามาแสดงนี้ผมยกเอาตัวผมเป็นเป็นพยานเลยมาแสดงกับท่านทั้งหลายด้วยความไม่สงสัยดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจจากวิธีการนี้จึงได้นําวิธีการนี้มาสอน แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามจะจริงหรือไม่จริงนี่ไม่ทราบได้นะสาหรับเราที่ได้ปฏิบัติมาก่อนนี้จริงมากทีเดียวเรื่องว่าไม่ให้เผลอไม่เผลอจริงๆตั้งแต่ตื่นนอนฟังเลไม่ยอมให้เผลอนี่จึงเป็นเหมือนยิ่งกว่าเขาติดคุกติดถลางนะจิตใจมันติดตันอันตู้มันอยากจะคิดจะบคุ้มแต่คำวมธีกรรมบีบเอาไว้ไม่ให้คิดให้คิดอยู่กับคำวมธีกรรมคําเดียวเอากันอย่างหนักทีเดียว นี่ถึงได้เห็นความทุกข์ความทรมานในการฝึกตัวเองกับกิเลสตัวหนาแน่นมันซัดกันกับธรรมคือคําบริกรรมได้เห็นกันขนาดนั้นทุกข์มากในระยะแรกๆแต่คําว่าถอยมันไม่มีเท่านั้นเองมันจะทุกข์ขนาดไหนเอาว่างั้นเลยใครจะตายก่อนตายหลังกครมารู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันไปฟาดกันมาสุดท้ายมันก็ตั้งหลักได้นี่จึงได้นํามาสอนท่านทั้งหลายมายาละเลอะเละ <c oughs> แล้วก็จากนั้นสุดท้ายก็ยิ่งไปหาการสถานที่เวลาเวลาในครั้งบุชการท่านสาเร็จมรรคผลนิพพานมาทุกวันนี้นึกมรรลนิพพานหมดแล้วสิ้นแล้วมันก็สิ้นจะสิ้กับคนมันหมดราคาแล้วนี่ไม่ได้คิดถึงอัดถึงธรรมและทมจะมาจากที่ไหนมันก็มาจากบุคคลผู้คิดถึงทำทำจริงจะเกิดคิดถึงกิเลกกิเ ล, ก ก, เลกก็เกิด คิดถึงเรื่องอะไรมันก็เกิดด้วยกันเพราะพิเรศกับธรรมมีอยู่ในโลกอย่างสมมูรณ์แบบเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าพิเลสมันหนามันมีกําลังมากมันก็ฉุดจิตใจไปทางกิเลสเสียเลี้ยมลบล้าง ม, าางมารรคผลนิพพานว่าไม่มีไม่เกิดไปเชียนั่นถ้าเรามาตั้งใจปฏิบัติตามธรรมที่สอนไว้แล้วนั้นมนรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนก็อยู่กับภาคปฏิบัติที่ปฏิบัติตามธรรมทางวิญญาณเลี้ยมมันก็เกิดด้วยกันนั่นแหละ ไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้กิเลสเป็นประเภทเดียวกันตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันแล้วธรรมะก็ตั้งแต่พุทธเจ้ามาจนทั่งถึงพวกเราก็เป็นสวาคาธรรมที่ตรัสไว้ชอบทุกจิงทุกอย่างแล้วแบบเดียวกันมาแก่กิเลสมันก็แก้ได้ด้วยกันถ้าเราจะนํามาแก้ทําไม่นํามาแก้ตายทิ้งบกเปล่าๆตายกองกันอยู่นี้มันก็มีความหมายอะไรเลย มรรคผลนิพพานก็ไม่มีไม่มีอยู่งั้นเรตายกองกันทําไมมันมีนั่นเห็นว่าจะคิดนะตายกองกันคือเชื่อตามพิเรฒตําหนิติเตียงลบล้างมรรคนิพพานว่าไม่มีสิ่งใดมีก็คือการหลงตามพิเลฒนั่นแหละหลงตามพิเลฒมันก็มาตายกองกันตายกองกันเหลื อ, องนี้ดินฟ้ากันสว่างแต่ใจของเรามันมืดเสดสไปแล้สว่างเหมือนไปตามท้องฟ้าอย่างมันก็เห็นไปหมดนั่นแหละ แต่ใจมันไปด้วยความมืดัสิโดนตั้งแต่นรกอวิชีโดนตั้งแต่โลกอวจีด้วยหวาปด้วยกรรมของตัวเองนั่นแหละท่านมีอดมีธรรมแล้วมันจะสว่างขึ้นที่กจเราจะค่อยรู้คอยเห็นเกิดตายที่ไหนได้คนมีธรรมในใจแล้วไม่ต้องไปคิดคาดคะเนโด้นเดาถึงเรื่องการเกิดการตายจะไปเกิดที่ไหนวุ่กุศลของเราที่สร้างมานี่ จะทักจะกรูเราไปเองนะีล้วผู้ที่ทําชั่วกับมันกันเห็นเรื่องที่ว่าปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีว่าคำว่าไปแต่โลมปากของคนตาบอดนั่นแหละพระพุทธเจ้าพูดตาดีสอนไว้แล้วนั่นท่านสอนไว้จี่พระองค์แล้วนี้แต่สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งกลับตั้งกันแล้วพระองค์พุทธเจ้าทุกทุกวงท่านไม่เห็นโลกล้างได้ เราจะเก่งกว่าสาธรามาจากที่ไหนไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีและสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละมุนเขาตนตลอดเวลาในมนุษย์นี่ก็เผาพอแล้วคนลบล้างบาปว่าบาปไม่มีนี่สร้างแต่บาปหาปแต่กรรมชั่วช้าละมุตายแล้วก็ไปแบกบาแบกกรรมอยู่ในเมืองผีเขาอีนี่แหละโทษแรงความว่านารกไม่มีนั่น ชาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนมาแล้วไม่ใช่คนตาบอดมาสอนว่านรกไม่มีคนตาดีแต่แท้โลกะนีถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในหมดแล้วมาสอนโลกเราอวดเก่งกับชาสดาเราไปลบล้างแล้วไปสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าลามกเต็มหัวใจของเราสุดท้ายมันก็มากองอยู่กับเราผู่เก่งๆนี่แหละเวลาไปตกนรกมันไว้เห็นเก่งเวลามาตายกองกันอยู่ในโลกมืดบอดนี่มันก็ไม่เห็นเก่งเหมือนกัน เหมือนเขาเหมือนเรานั่นนะ่ะถ้าใครเจ่งแบบกิเลสแล้วก็ต้องได้รับความทุกข์ความทนามานเหมือนเหมือนกันหมดถ้าใครเจ่งแบบทำดุพ้นได้ไม่ต้องสงสัยเพราะทำกับกิเลสมีเสมอกานอาการดีโกเหมือนกันไม่เลือกการเลือกสถานที่เวลาเวลาเพราะกิเลสอยู่ที่ใจเกิดที่ใจอยู่ที่ใจทำก็เกิดที่ใจอยู่ที่ใจ แล้วกรดิกไปทางกิเลสไปก็เป็นกิเลสวันยั่งคําถ้าเราสร้างแต่ความชั่วตามกิเลสหลอกลวงวันยั่งคําก็กาะกลุ่มเราได้ความทุกข์ความท ร, รมานตลอดไปถ้าเรากรดิกใจเรามาสร้างคุณงามความดีสร้างอัตสร้างธรรมพื้นดีใจใจก็เกิดขึ้นที่ธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจของเราตลอดไปถ้าสร้างไม่ถอยไม่ถอยธรรมก็แก่กล้าสามารถลบด้านกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจออกได้หมดเบี่ยงผูดง้ดีเจ่างบผู้ดีเจ้า แล้วพระทหารท่านตัดรุท่านขึ้นหวาด้วนแล้วแต่ท่านพูดลบล้างกิเลสให้ขาดตะวันไปจากใจทางนั้นพได้ปรากฏเป็นผู้เลิศเลอมาให้พวกเราทั้งหลายกราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้บ้ากันจําเอานะพวกประชาชนญาติโยมก็มีเกิดมีตายมีความทุกข์ความเดือดร้อนหมือนกันกับพระพระก็เหียบเดียวกับโยมโยมก็เหยียบเดียวกับพระเพราะต่างคนต่างหาบกิเลสซึ่งเป็ น, นไฟมันก็เผ า, าด้วยกันนั่นแหละ ถ้าไปบวชแล้วกิเลดไม่บวชมันก็ตามเผาเออกประชาชนบวชได้บวชมันก็เผาก็มันแบบหนึ่งถ้าเราสร้างความดีบวชได้บวชล้วก็เป็นคนดีเป็นไปไ ป, ไปบวชเป็นพระก็เป็นพระดีดีด้วยกันอยู่กับการกระทําของเรานะยาอย่าปอยอย่าวาง <c oughs> โลกอันนี้มันยิ่งหนานแน่นขึ้นไปด้วยจิเลส ต, ต น, านานี่แหละจะพูดแล้วเราวิตกวิจารณจริงนะ ยิ่งหนาขึ้นไปทุกวันทุกวันโอ้ยทำยังไงยิ่งเราเป็นชาวพุทธทางเมืองไทยของเรามองเห็นกีมองดูกิริยาของของพุทธในบุคคลแต่ละรายหลายแทบไม่มีนะมานมีแต่เรื่องของกิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มกิริยามายาการแสดงออกทุกแน่ทุ ก, ทกมูมมีแต่กิเลสชักรุงไปให้แสดงตั้งนั้นส่วนอัศนถามจะชักลูงไปพอ ที่จะมีช่องมีทางให้ผ่านพ้นไปได้เพื่อความคือความเจริญนั้นไม่ค่อยมีกันให้เตือนเจ้าของตั้งแต่บัดนี้น ะ, ะการสอนเหล่านี้สอนให้เข้าใจทุกคนให้ฟังทุกคนสนใจทุกคนปฏิบัติต่อตอนเองทุกคนตั้งปัญหาถามตัวเองทุกคนแล้วจะมีทางออกทางออกไปเดินดำเราจะไปหวังศาสร า, า, าองค์ใดนะองค์ใดท่านก็สอนแบบนี้เหมือนกันเราจะไปมุ่งว่าพระสยีอานนท่นานกว่านั้น คนเราเนี่ยเวลานี่ชีวิตของเราจะไปหวังอะไรพระสิยานชีวิตของเรามันมีอยู่กี่ปีกีด้วยมันจะตายเราเร็วนี่ให้รีบเสียตั้งแต่บัดนี้เลยเขาได้ความดีแล้วพระสิยานท่านมาถึงหร่ยังไม่มาถึงเราก็ได้ความดีผ่านพ้นทุกไปได้สะดวกสบายเนี่ยพากันจํำมานะวันนี้ก็แค่เพียงเท่านี้นะเทิดไปเทิดมาก็รีบเนดหน่อยเมื่อยล้านนะขอความสวัสดี ตรงีแกบ่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเธอเะไรๆๆนวะนี้แทศธรรมะเพียงขั้นนี้ซะก่อนให้จับพื้นฐานนี้ไว้ดีเรื่องธรรมา ส, สูงสูงสุดไม่ต้องบอกนี่คือพื้นฐานเพื่อกามสูงสุดแห่งธรรมขอให้จับต้นนี่ให้ดีอย่าปล่อยวางจะพุ่งถึงเลยเทศสูงขนาดไหน ถ้าจิตใจมันยังคลานอยู่กับกองมู่กองพูดคือกิเลสตัณหาแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ผู้เทศมันเหมือนกันผู้เทศเพื่อประโยชน์เทศไปแล้วมันก็มาในเรื่องเด็วๆ์ยาวก้าวเดินตามนี้นะ